ชีวิตนี่มันเพิ่งขันห้าพึ่งรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเพิ่งจนกระทั่งลืมไปว่ารูปเมตนาสัญญาสังขาร น, นี่มันเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดดับเราเล่นกับมันโดยที่ว่ามันเป็นจริงเป็นจัง ข, ขึ้นมาแต่ยิ่งเป็นขันห้าเนี่ยหมายถึงความรู้สึกความนึกความคิดแต่ละครั้ง ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเฉยๆแล้วก็ดับไปก็ไม่มีอะไรแต่มันมีความรู้สึกรักชอบชั่วชังมีความรู้สึกปูกันันไอ้ตัวนี้เองที่เขาเรียกว่ามันมีอุปทานขันเนี่ยท่านปัญหาชีวิตคนก็เกิดขึ้นเพราะตัวนี้แหละเพราะตัวอุปทานขันถ้าเรารู้สึกเฉยๆเป็นขณะขณะแล้วสามารถปล่อยวางเห็นมันเกิดมันดับ ชัดเจนอันตะกิรยายะปัญญาเยทาตินะฮะรูส้สวดทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแค่ดาวได้เวลาทุกบรรดะที่สุดกองทุกดูไปเรื่อยๆเรื่อยจนถึงที่สุดปรากฏชัดประจวบชัดคือการรู้แจ้งนั่นเองทีนี้สภาพของการเห็นทำที่มันปรากฏชัดมันรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยจิตเรามันไม่รู้เท่าทันมัน มันไม่เห็นชัดคือมันเกิดเองแล้วมันกระดับไปเองโดยธรรมชาติที่มันคิดมาก็ไม่รู้ว่ามันดับไปก็ไม่รู้ไม่รู้มันดับตอนไหนดับยังไงทีนี้การเห็นทุกข์ดับโดยชัดแจ้งเนี่ยมันไม่ปรากฏขึ้นที่เราปรินิพุตตัมปิตังเบกขวันตังทิสัรหันตังสมมาสุปุตังเราทั้งหลายอุทิศอุทิศไปว่าเจาะจงไปว่าตั้งใจ อุทิศเฉพาะพระผู้บีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปริญิาผานนานแล้วพระองค์นั้นคือระลึก ถ, ถึงว่าการปฏิบัติการการะทาเนี่ยเราทําด้วยศรัทธาด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจเพราะเห็นว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสตไว้ว่าการเดินทางสู่การดับทุกข์นต้องมาทางนี้ต้องไปทางนี้ เราก็จะเดินตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรเอาไว้เรายึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกนะสารณะที่พึ่งที่พึ่งที่อาศัยนะของจิตใจนะหรือบ้านเรือนไม่ใช่ที่พึ่งอาศัยแที่อาศัยของกายเนี่ยหลบแดดหลบร้อนหลบหนาวกายเนี่ย แต่จิตใจก็ที่หลบอารมณ์ข้างในที่หลบทุกข์เป็นสาระนั่นก็คือใจเนี่ยต้องหลบอยู่กับสติอยู่กับตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานถ้าอยู่กับสังคมก็ตัวดีๆตัวทำดีพูดดีคิดดีถ้าจิตนีมันรู้ตื่นเบิกบานปู พ, พุทธะปรากฏธรรมะก็มาเองนะธรรมนี่หมายถึงจะเรียกธรรม ถ้าประมัติธรรมปรากฏจริยธรรมก็ปรากฏถ้าประมัติธรรมปรากฏจริยธรรมก็กลายเป็นมารญาสังฆะก็ตามมาสังฆะสังโฆคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงหรือถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงไอ้ตัวสภาวะธรรมที่เป็นสวะขาธรรม คือสันทิฏิโกรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่ปฏิบัติได้ไม่เลือกเวลานะอืของเราเนี่ยปฏิบัติได้แต่เลือกเวลาเวลานั้นจึงปฏิบัติเวลานี้จึงจะปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันยังไกลจากพระสัจธรรมต้องให้รู้เห็นเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองอากาลิโก เห็นได้ไม่เลือกเวลาอันนี้หมายถึงพวกที่เป็นมัพเห็นได้ไม่เลือกเวลาเอาเห็นความคิดเกิดก็มันเกิดตรงไหนก็เห็นตอนนั้นนะความง่วงความเงาความเบือ่อความปรุงแต่งคือมันเกิดตรงไหนเราก็สามารถเห็นตอนนั้นได้คือเรียกว่าเป็นอากาลิโก่แต่ถ้ามันเลือกเวลาเวลาเอาลืมดูตอนนั้นลืมดูตัว น, นี้ก็แสดงว่ายังไม่เป็น ยังไม่เป็นสวากขาตะธรรมสวากฆาโตนะู่ะธรรมะพภูผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างนี้นะเนี่ยบางทีมันยังไม่ชัดเจนสันทิถโกกาลิโ ก, กโอเอหิปัสสิโกเเป็นธรรมที่มองเข้ามาข้างในมันมองเข้ามาข้างในเวลามีทุกข์อะไรเนี่ยพยายามเฝ้อมองข้างในโกรธคนอื่นมองเข้ามาข้างในฮนะตัวโกรธอยู่ทางนี้เนะี่ยอื เวลาฝ่ามือมันกระทบกันแล้วมันเกิดเสียงเอาเราดึงมือเราไว้ไม่มืออีกข้างหนึ่งกระทบกันมันก็ไม่มีเสียงคือมันอยู่ที่เหตุปัจจนะัยน่ะโอปัีญโกนะทุกอย่างน้อมลงมาที่จิตจุดเดียวเท่านั้นเองนะมนุปภังขมาธรรมาปัญหาสุขทุกข์อะไรเนี่อยู่ที่จิตทีนี้ไปหาดูที่จิตจิตก็จะมีตัวยึดตัวถือตัวรู้ ตปรุงแต่งตัวอดทนตัวขี้เกียจ ต, ตัวเบื่อในตัวสมาธิตัวปัญญาคือมันมีสภาวะทำสองกระแสอยู่ในจิตเราระหว่างความเสื่อมกับความเจริญโดยธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้จิตเรานี่มันจะพึ่งอะไรอะพึ่งความเสื่อมไหมความเสื่อมก็คือความเป็นอนิจจงนั่นเองความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาพึ่งมันไว ที่จริงเราจะพึ่งสัจธรรมวันนี้พึ่งอันนี้จังทุกขังนาตาอันนี้จังทุกขังนาตาเป็นสภาวะธรรมด้วยเป็นปัญญาที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามนะที่เราเข้าใจในวัตถุสิ่งของในเวทนาในสัญญาในสังขารนิเวศเดี๋ยวนี้เรายึดมั่นถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณยึดว่ามันเป็นตัวตนอันเนี้ยยึดสิ่งเหล่านี้ยึดรูป เวทันเรวะยึดขันห้าเป็นตัวตนแต่เราไม่ได้ยึดสภาวะธรรมว่าอุา้มทุกขังอันนิจังอนัตตาเห็นรูปประขันก็มีสภาวะธรรมเป็นทุกขังอยู่ในตัวนะเวทนาขันสัญญาขันสัญญางขันวิญญาณสังขารวิญญาณพวกนี้ก็เป็นทุกขังคือมันไม่มีสภาพที่แท้จริงมันมันเสื่อมไปเรื่อยๆเราเห็นหน้าตากรรมันนี้คนนี้เป็นนี้แล้วอีกสักพักหนึ่งมา เริ่มแก่และเริ่มเปลี่ยนแปลงไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อ ย, อ ย, อยแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวทุกข์คือมันไม่ทนทนไม่ได้ในสภาพเดิมมันเหมือนเหล็กเหมือนอะไรนี่เป็นสนิ ม, มนตลอดเวลาทุกข์ขังอันนี้จังก็ไหลไปเรื่อยๆอยอันนี้จังก็คือตัวทุกขังนั่นแหละไหลจนกรทั้งว่ากลับไปสู่ธาตุเดิมดินไปสู่ธาตุดิน น้ำไปสู่ธาตุน้ำไฟไปสู่ธาตุไฟลมไปสู่ธาตุลมล ม, มันกลับสู่สภาวะปกติของมันเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเรานั่งเราพูดเราคุยเนี่ยมันมีอาการร้อนหนาวสิ่งเหล่านี้คือการทํางานของธรรมชาติของพกุกที่กําลังไหลไปสู่ภาวะอันนั้นร้อนหนาวเย็นนะเหนื่อยเมื่อยหายใจเข้าหายใจออกคือน้ําลาย จริงเรานี้เป็นปรากฏการณ์ของขันที่ไหลไปสู่ความเสื่อมและการดำรงอยู่ได้ในภาวะนีนิดๆหน่อยๆตัเอง น, นั่นแหละมันไหลไปสู่ความเสื่อมเรื่อยๆดีๆเรื่อยๆทุกข์ก็ปรากฏเกิดขึ้นถ้ายึดเมื่อไหร่เป็นทุกข์มันนั้นคิดว่ากูเป็นกูเวลาเราป่วยก็กูป่วยทันทีแต่เราไม่ได้เห็นว่านี่คือธรรมชาตินะเวลาป่วยนีาเห็นธรรมชาติของธาตุการโอสถอัตรัยรักมันทํางานแล้วนะอันนี้จังทํางาน ทุกขังมันทำงานนะเราเห็นมันไหมทุกขังมันทำงานโอ้มันถึงเวลามันทำงานนะมันไม่เลือกเวลานะมันจะปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอากาลิโกเรายอมรับไหมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไตรลักษณ์ธรรมะของพระพุทธองค์คืออนิจจังธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทุกขังธรรมะของพระพุทธเจ้าคืออนัตตามันปรากฏแบบนี้โดยอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเรายอมรับเราก็ต้องยอมรับทุกว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่มันปรากฏกับชีวิตเราเกิดดับอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยทุกขังมันปรากฏอย่างนี้อ น, นิจจังมันปรากฏแบบนี้อนัตตาปรากฏแบบนี้ทุกขังนี่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นเป็นหลักธรรมะนะสังเกตดูดิต้นธรรมะเนี่ยมันจะเป็นต้นทุกขังขึ้นมาก่อน เราเห็นทุกไม่เห็นทุกเป็นธรรมเลยไหมชีวิตนี่มันกลับเห็นทุกไม่ใช่ธรรมะบบนะเห็นทุกนี่ไม่ได้มองว่าเป็นธรรมะเร น, นี้มาหาปฏิบัติธรรมนะแต่พอต้นทุกจะปรากฏขึ้นต้นธรรมะปรากฏกขึ้นเราไม่ยอมรับมันทุกขังปรากฏอีกสักพักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงละไหลละเสื่อมละเนี่ยอโอ้ยไม่ยอมรับวะ่ะไม่ใช่นี่ไงฉันไม่อยากถูกป่วยฉันไม่อยากไข้ฉันไม่อยากเป็นทุก นะที่ยริงก็มาหาธรรมะนะแต่ว่าต้นธรรมะมันกำลังเจอเบิกบานในจิตกับไม่เอาทีนี้ก็เป็นสั ก, กพักก็ไหลไปสู่ความวัจจปกติก็คือเป็นอนัตตาต้นทุกข์ขังอนิจจงอนัตตาเสื่อมแบบเนี้ยแต่จิตมันไม่ยอมรับใจมันไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่อยากทุกข์ฉันไม่อยากเสื่อมนะฉันไม่อยากเป็นอนัตตาฉันยังอยู่แบบนี้อยากอยู่กับรูปแบบนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นแบบนี้นั่นก็แสดงว่าเราปฏิเสธความจริงแต่เราไปอยู่กับความเท็จที่เป็นมายาต้องการความเที่ยงของธาตุขันต้องการความเที่ยงของธาตุขันคนที่ส่องกระจกไปบ่อยอ่ะตื่นขึ้นมาส่องผู้ใบหน้าเราสวยงามไม่สวยงามคิดดิ้วกิดเดิมันเป็นการเพิ่มอุปทานรูปขันขึ้นมาพอส่องไบ่อยตัวนั้นต้องใส่ตัวนี้ต้องใส่ตัวนั้นต้องงาม ต, ต, ตัวนี้ต้องดีนเลยประมาณนี้ย มันก็จะเสริมขกันไปเรื่อยๆแต่ะเล็กแตนละน้อยแต่ลเล็กกั่น้อยสุดท้ายกลายเป็นความยึดติดประกู่คือกูนะแบบนี้ขึ้นมาแล้วีนี่เองที่เรามีปัญหาชีวิตคืออุปทานยึดติดในรูปขันแทนที่จะยึดเอาสภาวะธรรมความเป็นอนิจจังสติที่เรามีเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์นี้ปรากฏกับขันธานี้อยู่อย่างสม่ำเสมอเนะ่ยเห็นมันอยู่อย่างสม่ำเสมอ นั้นบางทีจึงมาเป็นบทแผ่เมตตาไงเวลาเําวำบัตรสวนบทแผ่เมตตาบทอะไรอันนี้จังเห็นอันนี้จังเห็นเน่ยนะแผ่เมตตาคือจริงๆถ้าไม่มีปัญญานะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยแผ่เมตตานี่เป็นสมถนะนะสมถะคืออดเอาทนเอาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสมถะภาวะ เหมือนขมเมาทนเดาอะเออช่างเขาเนอะสเปสัตาเอะไรแต่ถ้าเป็นปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นนาตาในจิตตัวเองแต่เห็นที่กายเขาชื่อว่าเห็นภายนอกยังไม่ใช่เห็นอริยสัจถ้ายังเห็นอริยสัจก็มาเห็นที่จิตเห็นที่จิตของเราเองเนี่ยเห็นที่มันเป็นทุกข์ขึ้นเป็นทุกข์เป็นอย่างเงี้ยทุกขัง เห็นมันล้วโอยทนไปยากรู้สึกว่าทุกข์มากนะตัวนี้เห็นว่าทุกข์แต่เป็นทุกข์ที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้นะทุกข์อันเนี้ยเราจะแก้ไขอะไรมันก็ไม่ได้จะหยุดมันก็ไม่ได้จะอะไรมันก็ไม่ได้ถ้าทุกข์ข้างนอกมันจะแก้ได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยแล้วทําให้เราหลงหลงว่าเป็นของเราเพอเราแก้ได้ไงพวกมดพวกหมอพวกพยาบาลเขาก็มีความเชื่อมันพวกเราเองเชาวชาวโลกก็เหมือนกันนะนะ ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามจะมีความรู้สึกว่าเวลามันทุกข์มาเลยจะแก้เอาจริงเอาจังซะเแล้วเทนี้อย่าไปเห็นว่ามันเป็นตัวตนอย่าอยากแก้หรือไม่อยากแก้ดูเฉยเฉยดูความทุกข์อันเนี้ยมันเกิดมันดับโดยธรรมชาติมันเหนื่อยก็เดินดูมันนั่งมันทุกข์ดูมันนะไม่ต้องกังวนกังวาย อ้าอยากทายามันเท่าที่เราบาบางก็ทายาแบบดูมันทํำอะไรก็ทําทําแบบดูมันดูมันนะไม่ใช่เราอย่างเงี้ยดูอ้าวตัวทุกข์ปรากฏเนาะทุกข์เบิกบานเห็นทุกข์ไม่เห็ น, ม, หนมันต้องทุกถึงที่สุดทุกข์จากหยับหยาบทางความคิดความปรุงแต่งเข้ามาทางด้านร่างกายจนทั้งเข้าไปถึงเห็นทุกข์อริยสัจนะที่มันเสียดแทงจิตอยูน่นะ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เห็นทุกข์ที่มันเสียดแทงจิตใจด้วยราคะโทสะสโมหะแสดงว่าเริ่มเห็นทุกข์ในอริยสัจละมันชัดเจนละถ้าเห็นทุกข์ในอริยสัจถ้าตัวลึกๆระ ล, ล, ลึกรู้เรามั่นคงสามารถดูได้อย่างไม่หลบไม่หลีกเนี่ยนั่นแหละคือมรรคที่แท้จริงเห็นมันชัดเจนแล้วอยู่ๆก็ดับสว่างหลุดพัวไปอ่ะนั่นแหละคือปัญญานะคนนี้เกิดมาบางทีเห็นอริยสัจ เห็นทุกเกิดดับแค่สี่ครั้งนี้ก็ถือว่าจบนะการปฏิบัติธรรมนะมันจะรู้สึกเป็นอย่างนั้นเนะ่ะมันต้องเห็นทุกที่มันทุกในน้อยข้างในลึกๆไม่ใช่ทุกข้างนอกนี่นะถ้าเราปรากฏรู้จักมันอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวจิตเราก็จะมีมีสภาวะธรรมที่เป็นมรรคเป็นผลในส่วนที่เป็นศีลเราอยากได้อะไรเราปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ปฏิเสธทุกเนี่ยถ้าปฏิเสธทุก์ถ้าไม่ลืม อาวุธแห่งปัญญาคือทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นทุกอย่างเป็นแบบนี้นะเห็นชีวิตเนี่ยทุกขังชัดเสื่อมเห็นชัดอนัตตาพอเห็นทุกปั๊บทําให้มันเป็นอันเดียวกันทีนะระลึกรู้จนเข้ามาทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับมันมีแค่เกิดนะเห็นสมูทยัยก็เห็นนิโรธทันทีอยากให้เป็นแบบนั้นนะ่ะ สมุทัยปรากฏนิโรธปรากฏแต่ไม่ใช่สมุทัยปรากฏเราทรมานเรานานๆทุกเนี่ยแสดงว่าสติเราไม่ดีเพราะสติไม่ดีสภาวะธรรมปรมัตาส่วนปรมัตก์ก็ไม่ปรากฏเกิดขึ้นความเป็นอนิจจังมันไม่มีอ่ทุกขังความเป็นทุกขังอนิจจังอะไรตามไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏสติสมาธินะมันจะไม่กลายเป็นสมาธิให้พอมันไม่เข้มแข็งมันไม่ มันไม่ดับเยเนี่ยสมาธินี่คือความตั้งมั่นปัญญาเนี่คือการดับทุกข์อันนั้นถ้าสติมันไม่ดีปัญญามันไม่ดีมันก็ไม่ทํางานที่เห็นการเกิดดับในขันท่าได้ท่านต้อบอกไงปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้มีสติสมาธิปัญญาละธาตุละขันละขันท่าที่มันเป็นเนี่ยที่เราไปยึดมั่นถือมันคือมันเป็นทุกข์บางคนเห็นทุกข์ ความคิดเกิดอความคิดนี่ต้องตามดูมันไหมนานเอาละทีเนี้ยอย่าไปตามตามไม่ตามมันไม่ได้เกี่ยวกันนะแสดงว่าตามมันแสดงว่ามันอยากคิดอยู่มันอยากคิดมันอยากไปแล้วก็ตามมันไปถ้าเราบ้วควายที่แท้จริงถ้าจับมันได้นี่ต้องตามดูมันไม่ไหมก้มัดไว้แล้วก็จบทําอย่างอื่นนะแต่ต้องตามดูมันแสดงว่ามันยังไปอยู่ไปนู่นไปนี่ไม่ต้องไปตามเรียลึกรู้อยู่กับที่ะ ความตั้งมั่นของอุเบกขาทําให้สูงเดยลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้มันชัดเจนเป็นผู้ดูมันเฉยเฉยอ่ะถ้าดูเฉยเฉยเลยลึกรู้อยู่การดูอย่าหลุดเข้าไปการที่อยู่กับการดูอยู่ความปานรู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเรามีพุท ธ, ธเป็นสารณะอืมอะไรเกิดขึ้นรับรู้ก็เกิดขึ้นรู้พุธทธังสารนังขจามิเป็นที่พึ่งธรรมัง ทำมังเนี่ยยึดเอาพระธรรมเดี๋ยวนี้เราได้พระธรรมไหมคนทั่วๆไปไม่ได้นะเขาไม่ได้พระธรรมเอาพระธรรมเป็นทึ่งไม่เป็นคําว่าพระธรรมนี่หมายถึงสภาวะจิตของเราเองที่อย่าจะบอกว่าสวัสดิ์ตัวต้องเกิดเองรู้เองเห็นเองเป็นเองเนี่ยสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณียโกเนี่ยที่นออ้อมหัวปัจจังเวทิตโพวิจุหี พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงสว่างรุ่งเรืองเปียบดวงปื้ทิพเนี่ยเรามีไม่ภาวะแบบนั้นแล้วก็มาหาใหม่ซะเอา้าธรรมะพระพุทธเจ้าคืออะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเห็นทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ดับธรรมะของพระพุทธองค์คือมรรคธรรมะของพระพุทธองค์คือผลเดี๋ยวนี้เราเห็นไม่สภาวะพวกเนีย่ยถ้ามันไม่เห็นแสดงว่าเรายังไม่สัมผัสสภาวะธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อืม แต่จะเอาธรรมะพระทธเเป็นที่พึ่งต้องเห็นมันเกิดมันดับได้เริ่มนี่ก็ใช้ได้ละทีนี้สังฆะเอาเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะที่พึ่งบุตริกะครูบาอาจารย์ที่เป็นกคระยะาณมิตรสังฆะเคยมีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรสมควรปฏิบัติตรงไปสู่การดับทุกข์ดับความคิดดับความพรงุงแต่งความง่วความเงอกควา ม, ค, วา ม, ค, วามคือดับทุกข์ที่แท้จริงจะมองมาที่นี่นะแต่ถ้า ทำอย่างอื่นอย่างที่สังคมเขาทามันไกลตัวไว้ะมันไกลตัวมันไม่เป็นอุชุปฏิปันโนเมื่อใดก็ตามที่เรามองมาที่จิตเห็นมันเกิดมันดับนั่นแหละอุชุปฏิปันโนแหะปฏิบัติเห็นมันเกิดมันดับอยู่ข้างในเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ดับตรงตรงแบบนี้เนี่ยเป็นพุทธะเป็นอุชุปฏิปันโนแต่เมื่อใดที่ดับอ้อมค้อมหาอ่านหนังสือค่อยยังชั่วหน่อยนะ ไปพูดไปคุยกับคนโน้นค่อยยังชั่วน้อยเนี่ยต้องอยู่ในสงบสงัดวิเวกค่อยยังชั่วหน่อยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันนะแต่ว่าเขาว่ามันยังไม่ใช่อุชุปฏิบัโนคือมันไม่เห็นตรงตรงและดับตรงตรงอย่างเงี้ยถ้ามันทําอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่เป็นสังฆะต้องเห็นตรงตรงและดับตรงตรงโกรธดูโกรธตรงตรงเกลียดดูเกลียดตรงๆราคะโทสะมหะปรากฏดูตรงตรงนะ ดูการเกิดการดับเพราะมันตรงๆงเห็นมันตรงๆและใจมันก็จะสบายวันหนึ่งเดินไปไหนเมาไหนนะเหมือนกับว่าเราจิตเรามีที่พึ่งมีที่พึ่งมีสาระมีสา ร, ะ, สระก็คืออยู่ในฝ่ายนี้อยู่ฝ่ายนี้ไม่เป็นฝ่ายโน้นจิตของคนเราถ้าปฏิบัติธรรมดีๆมีสติดีๆและลึกรู้ดีๆรู้รูปนามชัดๆนะ่ะ รู้รูปนามชัดชัดถ้าเห็นจิตเห็นสามารถการเกิดดับในนามรูปในชัดๆเนี่ยมันเอียงไปทางหาพระนิพพานแล้วละ่ะเอียงไปฝ่ายนูน้นเหมือนเราดันของ ข, องขึ้นไปที่เนินแล้วเริ่มมองเห็นเห็นฝั่งนูน้นว่ามันมีอะไรจิตมันโน้มเอียงไปทางโนู้นละ่ะมันใกล้จะเกิดเป็นปัญญาที่แท้จริงนะมันโน้มเอียงเอาพุทธธรรมสัมภะ สังขะมาเป็นที่พึ่งล้วเขาเรียกว่ามันเกิดโอปะนิโกนะโอปะนิโกะคือมันโน้มเอาธรรมะของบุรุษเจ้ามาใส่ตัวโน้มเอาอานิจจังเข้ามาน้มเอาทุกขังให้ช่างมันเถอะทุกขังให้ช่างมันเถอะอนันตามันเริ่มมีภาวะแบบนี้เข้ามาในตัวเองอะไรเกิดขึ้นก็ตามห้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะอานิจจังทุกขังอนันตาทั้งโลกเขา คนไหนที่ทําใจได้บางทีเขาไม่รู้จักพุทธศาสนานะไม่รู้จักหลักธรรมอะเนี่ยแต่เวลามันทุกเขาจะมีความรู้สึกไช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะ่าถือสาช่างเขาเถอะบ่อยเข้าบ่อยเขาถ้าเขาช่างมันเถอะพร้อมกับการเกิดเห็นการดับพร้อมกันในพระพุทธปรากฏตรงนั้นเลยทีเนี้ยไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติธรรมที่วัดที่ว่าที่โนนที่นี่นะแต่ก็จะเป็นเหมือนกันกับการปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเขาเรียกว่าการ ฝึกสมาธิโดยธรรมชาติคนมันเกลียดทุกโดยธรรมชาติก็มีนันเกิดมาเห็นทุกโดยธรรมชาติเกลียดทุกโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเออไม่เอากับมันแล้วมันเป็นแบบนั้นนะไม่เอากับมันก็เกิดปัญญาได้เดียวเองธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าว่าไม่มีครูบาอาจารย์ปัญหามันก็เกิดขึ้นคือมันจะเป็นวิปัสสนา ง, ง่ายเหมือนคน ได้เงินได้ทองมาแต่ไม่มีการอบรมพื้นฐานจริยธรรมเนี่ยการใช้จ่ายตั้งเป็นอย่างนี้นะได้มาเนี่ยการใช้มีดใช้แบบนี้ใช้ปืนใช้แบบเนี้ยใช้อาวุธเนี่ยใช้แบบนี้นะเหมือนกันถ้าว่าเราไม่ได้อบร ม, มคุณธรรมมาเราจะใช้ไม่ค่อยเป็นมันจะติดอารมณ์ง่ายปฏิบัติเองอยู่ๆก็เข้าใจเองขึ้นมาเองเนี่ยเ อ, อทิฏฐิมานะมันจะสูงมุอดี เราจะสําคัญมันหมายขึ้นมาตอนนี้เอ้กูรู้นะกูเข้าใจให้คนรู้เหมือนกูไม่น่าเลยประมาณเนี้ ย, ยวัดไม่ได้เกี่ยวละพระสงฆ์กับเจ้าไม่ได้เกี่ยวมันอยู่ที่เราธรรมะมันจะขึ้นมาตอนดีอ่ะตัณหามานะทิฏฐิจะแทรกเข้ามาเมื่อไดรก็ทำปฏิบัติทําแล้วเหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้สึกตัวล้วนๆตัวรู้ปรากฏชัดล้วนๆ ไอ้ความเป็นวิปัสนาวนี่ค่ะน้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดความสําคัญมั่นหมายอะไรขึ้นมาในตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเดนเดียติดอารมณ์เราียว่าวิปัสนาูปรากฏยิ่งเท่าเกิดมันรู้มันปรากฏสภาวะเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความยินดีความพอใจอะไรขึ้นมาในสภาวะธรรมเนี่ยแล้วก็เกิดความชอบขึ้นมาความชังขึ้นมาเกิดเป็นอัตตาตัวตนตัวใหม่ขึ้นว่าเป็นอัตตามาณทิฏฐิแทรกขึ้นมา ก็เป็นวิปัสสนูอีกแหละทีนี้ความรู้ที่เกิดในอารมณ์วิปัสนาความยึดมั่นหรือมัน่นวิปัสสนูอุ ป, ปกิเลสอุปกิเลสนะใกล้ๆจะเป็นโลภโทสะโมหะนะพวกนี้แต่มันเป็นการยึดการถือตั ว, ถ, ตวถือตนโดยใช้ธรรมะมาใช้พูดใช้คุยใช้สอนใช้บอกใช้กล่าวอะไรประมาณเนี้ยเป็นที่ตั้งของทิฏฐิมานะไอตัวเนี้ย ดังนั้นสังเกตดูดีๆต้องให้มันรู้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติรู้เองธรรมชาติก็ะทำอะไรกระทำยันหนีจากพุทธะยันหนีจากพุทธะพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยย่าห น, นีจากย่าห น, นีจากตัวเนี้ยพุทธะธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันหมดเลยรู้ต่อเพึ่งความรู้สึกตัวรู้ความความรู้สึกตัวธรรมดา ไปสู่ความรู้แบบตื่นตัวเป็นญาณวิปัสนาเข้าไปรู้อาการที่เกิดขึ้นในจิตลึกๆเน่หรือรู้อาการในกายนี้โดยปล่อยวางกายกายเนี่ยเป็นอุปสรรคนะกายนี่มันเป็นอุปสรรคของการเข้าไปเห็นจิตตราบใดก็ตามที่เรายึดมั่นถือมันในอาการกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นจริงเป็นจังกองเราอมันยึดถือแล้วมันจะไม่เห็นใจ ต้องเห็นกายนี้ว่าไม่เป็นของเราเราจึงสามารถเข้าไปเห็นจิตได้นั้นเขาถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมนี่คุณสามารถเห็นกายนี้เป็นรูปนามเลยไหมมองเป็นรูปนามคือคุณไม่ยินดียินได้ในกายนี้ได้เห็นได้ไหมเห็นว่ามันเป็นเพียงรูปนามเนี่ยถ้าเราไม่เห็นมันเป็นเพียงรูปนามมันกายอันี้เขาจะปิดบังสัจธรรมอะเราทะลุไม่ได้การไปทุดดงที่นั่นที่นี่ ช่วยสลายความเห็นว่ากายนี่เป็นของเราในส่วนหนึ่งมันเหนื่อยมันเมื่อยลย้วจะมีโอกาสได้ตั้งใจดูถ้าเราดับความรู้สึกว่ากายเป็นของเราไม่ได้โอ้จิตนี่ก็เป็นของเราละ่ะเพราะจิตนี่มันมาดูกายนี้ไอตัวจิตนั่นแหละที่มันมายึดเอากายเป็นของเราทีนี้เราจะไปดูจิตโดยอิสระเนี่ยมันเหมือนกับเห็นวัวตัวหนึ่งเลยจับวัวตัวนี้มาปุ๊บอา้าว เราจะดูวัวตัวนี้ทําไงอ่ะต้องจับมันผูกเชือกมันทําให้มันเชื่องก่อนถ้ามันไม่เชื่องนะมันจับมันไม่ได้ดูมันไม่เป็ี่นนะต้องทําให้มันเชื่องก่อนถ้าวัวตัวนี้มันเชื่องมันก็ดูมันง่ายขึ้นแต่วัวตัวนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่ไม่รู้จะดูไงดูลักษณะดูท่าทางดูกิริยาอากับกิริยาดูไม่ออกนะต้องทำจนกระทั้งว่ามันหายประยชน์นะมันเคลือนเดี๋ยวมันเคลือน บ้านเราเดียวมันเคะเขินมันมันไม่คุ้น่ะทีนี้ทําให้มันคุ้นก่อนออ <ừ> ป่วยก็ธรรมชาติป่วยเนาะหิื่กว่าธรรมชาติเหงื่ออ่างเงี้ยเมื่อยกับธรรมชาติเมื่อ ย, อยไปได้เรื่อยๆฟื้นได้เรื่อยๆฟื้นได้เรื่อยๆการฟื้นในส่วนหนึ่งฟื้นมากจนถ้าเกินเหตุปัจจัยของมัน ก็กลายเป็นตัวตนขึ้นมาอีกนะเรามองว่าเฮ้ยกูทําได้หรือว่ากูทําได้มีกูเข้าไปในนั่นอีกนะมันมีความสําคัญวันใหม่นั้นคนนี้ก็ตามที่รู้เหตุปัจจัยตาความเป็นจริงที่มันตรงตามความเป็นจรงิงชัดๆเลยเนี่ยถูกต้องเลยนะตรงชัดๆเนี่ยนั่นแหละคือสัจจะทุกอย่างมันก็ดับความเองโดยธรรมชาติเลยเราไม่ได้ไปยุ่งในกระบวนการของมันนะ่ะ ทุกมันเกิดทุกอย่างเนี่เป็นทุกข์มันเกิดแต่ทีนี้พอมันไม่ต้อนทารับมันเราก็ได้เฝ้าแต่ดูแต่กายนี่ที่มันเป็นทุกนะแต่จิตมันก็ไม่ได้เป็นทุก์แต่เรามาเฝ้าดูกายกายนี่เป็นธรรมชาติของความตั้งมัน่นของความเสื่อมมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาไหนอะไรอย่างไงเพราะว่ากายเนี่ยมันเกิดจากก้อนของความทุกข์ที่ผสมผสานกันรวมทัวเป็นเป็นเราขึ้นมาเป็นตัวตนเป็นธาตุ ทีนี้เอ่ยความเป็นท่าเนี่ยมันก็เสื่อมตลอดเวลาเสื่อมตลอดเวลาเราดูมันเห็นไห้เพรามันเสื่อมถ้าจิตไม่มีอะไรผูกพันนะไม่มีอุปทานไปเกาะเกี่ยวมาเนี่ยมันจะทํางานได้โดยเป็นธรรมชาติมากมันดูได้ใจที่มันโล่งโปร่งเคยออยู่ในมรรคตลอดเลยอ่ะคำว่าอยู่ในมรรคก็คืออยู่ในฌานตลอดเวลานะอยู่ในฌานแล้วเลือกรู้ดูเห็นมันตลอดเวลาจิตมันก็ตื่นมันก็เบิกบานแจ่มใสะ เจ้มใสทุกอย่างมองมาเห็นเอ้าทุกอย่างมีเกิดมีดับถ้ามีเกิดแล้วมีดับนะแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีดับไม่มีเกิดหรือเค่เป็นความว่างเอาความว่างมันดับเป็นไหมมันไม่มีเพราะมันไม่ได้เกิดนะความว่างมันไม่ได้เกิดนะเมื่อไม่มีความว่างมันไม่ได้เกิดมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติมันก็ไม่มีดับที่มันมีเกิดเนียเพราะมันไปยึดเอาอะมันก็เลยมีเกิด ต้องเอาตัวนี้ออกมันจึงจะมีที่จริงมันมีอยู่แล้วท่านบอกเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีอยู่แล้วแสงสว่างมันมีอยู่แล้วนะเน่ะเพียงแต่ว่าความมืดมาปิดบังปกคลุมทันเองดัง น, นั้นเราก็สลายไอ้ตัวยึดติดอยู่ในจิตเราเนี่ยเขี่ยมันออกสลายมันออกความสว่างก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ทําให้ความสว่างปรากฏแต่ทาให้ความมืดมันออกไปเนี่ยในห้องนี้เราไม่ได้มาไล่ความมืดนะแต่เรามาเปิดความสว่างเลยเฉยแล้วมันไปเองโดยธรรมชาติ ไอ้ตัวทุกข์ที่มีเนี่ยเพราะว่าปัญญารู้แจ้งไตรลักษณ์มันไม่พอปัญญาเห็นแต่ลักเห็นทุกขังเนี่ยมันก็ไม่พอไม่พร้มพอมไม่เป็นอนิจจังให้เห็นความทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นสภาวะธรรมเห็นความเป็นอนัตตาก็ไม่ชัดพออืดูจิตเนี่ยเอ้ามันไม่ชัดนะเห็นเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์ทอยู่เนี่ยะเคลื่อนมาสู่ความเป็นอนิจจังยังไม่ปัญญาไม่พอเพราะอะไร เพราะว่าสมาธิมันไม่พอสมาธิมไม่พอปีติไม่มีความสุขก็ไม่ปรากฏสมาธิอุเบกขาพวกนี้ยมันไม่มามันไม่ปรากฏขึ้นทุกข์ก็เลยปรากฏมาวันวันหนึ่งเราก็ได้จมอยู่ในทุกข์จมอยู่ในทุกข์จมอยู่ในทุกข์การพึ่งพาอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทีเนี้ยนะคือมันพึ่งพาแบบยึดมั่นถือมั่นไง ดังนั้นการปฏิบัติทำการเรียนรู้ทำการเข้าถึงทำจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะถ้าเกิดมาได้เรียนรู้สภาวะธรรมมาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบตรงที่ชีวิตเราไม่ได้เป็นคนครึ่งคนครึ่งสัตว์แบบนางมัดฉานะี่ยนางเงือกไนยะแต่เราจะเป็นคนหมดตัว ไม่ได้มีความประสบผลสมำเร็จทางโลกอย่างเดียวแต่เราสามารถประสบผลสมำเร็จทางธรรมทางธรรมคือเห็นความจริงของชีวิตด้วยนั่นเองไม่ใช่ไปเป็นนักพจนักบวชอะไรนะคือการเห็นความจริงของชีวิตผมเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ปล่อยวางมันปล่อยวางมันเน่ะเราไม่ใช่คนหลงรูปหลงนามวันนี่ยแต่อยู่กับมันแบบคนเข้าใจเข้าใจอคนนี้อยู่กับเราอีกสักพัก มันแก่เออก็เข้าใจมันคนนี้สักพักมันตายก็เข้าใจมันอะคนนี้เกิดก็เข้าใจมันโดยธรรมชาตินะคนนี้เกิดโดยธรรมชาติอ้าวท้มันเกิดมาโอ้มันต้องมีแก่ละมันต้องมีเจ็บมันมีตายละเป็นโดยธรรมชาตินะคนไหนมีง่วงมีเหงาเนี่ยปฏิบัติทรมันก็เป็นโดยธรรมชาติมันว่าเออธรรมชาติง่วงเหงาเนี่ยทุกโขตินาทุกขาเปรตา มีทุกโรออยู่แล้วนะสติไม่ดีสมาธิมันไม่เข้มแข็งเดี๋ยวมันก็ทุกนะเดี๋ยวก็ทุกทุกเพราะในพวกความหลงไงไอ้ที่มันง่วงนะมันทุกแล้วนะไม่ใช่มันเดี๋ยวมันทุกนะมันเข้าไปในทุกแล้วมันสร้างทุกขขึ้นมาละสัญญาณส่งสัญญาณมาละง่วงละเบื่อละเนี่ยมันจะเริ่มมาละนั้นก็ต้องมากระตุ้นถ้าชีวิตที่จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆต้องแหวกออกจากความง่วงให้ได้กูจะไปทํางานนะเนี่ย งแหวกออกง่วงต้องไม่มีนะอกูจะไปทุดงนะนี่มันจะง่วงให้กูนะเดี๋ยวเขาไล่กูกลับเลยยุ่งเลยเด้เนี่ยจะจเริ่มเห็นนะเออมันจะแหวกออกจากความง่วงนะชีวิตเนี่ยเราจะออกจากมันเพื่อเราจะไปทํางานทําการหนาะเงินหาท้องเข้าของทีนี้ถ้าเราจะเดินไปหามักล่ะโอ้มันต้องวิ่งแหวกละเอียดมากมักเนี่ย มันคือการตั้งใจที่จะแหวกเอาทุกนี่ออกเนี่ยเดินแหวกแหวกว่ายทุกไปเรื่อยพระสาวพระเขาใช้คาว่านิเพทะหรือว่านิเพทะว่าชํำแรกกิเลสมีอะ่ะแต่ชํำแรกชํำแรกชํำแรกกิเลสชำแรกกิเลสฝืนไปเรื่อยเรื่อยตะเกียกตะกายไปเรื่อยง่วงพยายามออกจากง่วงเบื่อก็ําแรกความเบือ่อเข้าไปเรื่อยแต่ทุก มันยึดมั่นถือมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะหนักนะเยหลายคนปฏิบัติทำดูดีจังนะตอนสุขภาพดีโอ้ยดูดีจังแต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมุดสภาพเลยสติรู้ได้เมื่อภัยมีเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีปัญหาชีวิตเนี่ยไม่ได้เลยหลายคนว่าโอ้ยที่ผ่านมาทุกมากหายไปเลยนะบางทีมันทุกไม่อยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ในร่องรอยของการเอา พุทธะเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเลยไหลไปกับโลกมดเลยชีวิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะสติมันน้อยภัยมันเกิดมานี่มันเหมือนมีจริงมีเฮ้กูป่วยเนี่กูเป็นจริงเป็นจังคือเพราะหลาหลายคนปฏิบัติทำ<อ>เอาจริงเอาจังกับมดกับหมอกับการดูแลสุขภาพร่างกายนี้เหลือเกินนะมันเหมือนถูกต้องตามกฎหมายในะาทาั้งโลกเนี่ยทําผิดถูกต้องตามกฎหมายการยึดกายนีย่มันเหมือนถูกต้องตามหลักธรรมนะแต่ความไจริงคือการยึดยนะั่นแหละ การยืดเมื่อไหร่คุณจะเห็นมันเฉยๆเป็นถ้าเราเห็นมันเฉยๆเป็นมันเป็นธรรมชาติความทุกข์ก็ไม่ได้เบียดเบียนเราเองเราสามารถละวางทุกข์ละวางปล่อยความทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มันปล่อยแล้วก็หยิบขึ้นมาปล่อยแล้วก็หยิบขึ้นมามันวางวางแต่ว่ามันก็หยิบขึ้นมาอีก หลงหยิบอยู่เรื่อยๆหลงไปยึดเอาความคิดลุดหลงยึดเอาอุปท า, านอยู่เรื่อยๆหลงมีอุปทานนกับรูปมองคนเนี้ยที่แรกก็มองเฉยๆแต่พอเอามองแบบสวยมองแบบงามมองแบบดีเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มหยิบขึ้นมาเรื่อยๆนะจิตเนี่ยอันนั้นผูกอันนี้ผิดมองรูปเป็นอย่างนั้นเนาะมองเวทนาทีนี้ มองเวทนาที่ปรากฏโอ้โอโเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเห็นคนไหนเล่าให้ฟังว่าหมอที่นั่นดีหมอที่นี่เอ้าจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายดีบางดเาีเดินดงเดินดันไปหาเขาเลยเอา้าจริงเอาจังมากเป็นอุปทานกับเวทนาเนี่ยไม่ได้อุปทานกับรูปยังพอเขายัางชั่วหน่อยอืมยังพอเห็นมันเป็นตัวเป็นตนไนียถ้าเวทนาหลงทันทีนะวันหนึ่งพอไม่ได้ทําอะไรนี่ยเฝ้าดูแล้เมืองทุกทุกเลยก็อยากแก้ไข นะแต่่าทีเป็นมารยาขันเราไม่รู้สัญญาความจำก็เป็นแบบนั้นแหละนะจำอะไรมากันนึกถึงนะอดีตที่สำคัญก็คือถ้าคุณละความจำ อ, ม อ, มอันนี้มันเป็นเทคนิคขั้นสูงทละความจำของขันห้าที่ปรากฏในแต่ละขณะขณะได้นั่นแหละคือปัญญาไม่ได้ไหมายว่าสำรอกอดีตนะคนรู้รูปนาม รู้ปุเณนิปุเปนิวาสานุสติญาเนี่คือการสํารอกหรือการดับความคิดในอดีตความยึดติดถือมั่นในอดีตให้สลายไปทีนี้จุตู ป, ปาตยานหมายถึงการดับการสํารอกการรู้เท่าทันความคิดที่กําลังจะสร้างสัญญาขันในปัจจุบันขึ้นมาเนี่เป็นอุปทานในสัญญาขันที่เป็นประโยชนแล้วเห็นแล้วเกิดการดับตรงนี้เองอนั่นเรียกว่าจุตู ป, ปาตยาน สำรอกกิเลสอดีตได้เป็นปุเพสารอกจิตที่มันจะกำลังยึดเอาความคิดยึดความปรุงแต่งความอยากความโลภในปัจจุบันนี้ได้เป็นจิตถูก ป, ปัตยานเก็บกวาดทำสะอาดโม้ไม่เหลืออะไรเลยในใจเนี่ยเป็นอาสวัคยายานจิตเรามีประมาณนั้นนะแต่ถามว่ามันรู้เท่าทันมันไม่ทามันรู้เท่าทันแต่อดีตแก้ไขแต่อดีตได้ แต่ปัจจุบันก็ยังหลงเข้าไปในความคิดอยู่หลงเข้าไปในความคิดอยู่เนี่ยหลงเข้าไปพรุงแต่งอยู่แสงว่าอาตัวจูตูปจุตูบจุติเนี่ยพอมันจุติเห็นมันทันทีนะจุติเห็นมันทันทีอะ่ะพอมันจุติปุ๊บเห็นปุ๊บจุติปุ๊บเห็นปุ๊บสนุกก็รู้มันสนุกเพลินก็รู้เหมันเพลินะเห็นมันเอา้าเกิดแล้วก็ดับขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเป็นกลุ่มไอ้หมอกควันที่เฉยแวบมันก็ผ่านไปดับไปเข้ามาดับไป เพีงแต่ว่ามันยังไม่เป็นตัวตนเป็นรูปเป็นล่างถ้าเป็นหมอกเป็นเมฆก็แค่วันลอยๆยมาแต่มันยังไม่รูปเป็นรวมตัวเป็นรูปเป็นล่างถ้าเป็นรูปเป็นล่างมีความเย็นเข้าไปสัมผัสหน่อยกลายเป็นก้อนเมฆหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นน้ําแข็งเป็นหยดน้ําร่วงลงมาเป็นฝนนะพอมันเป็นฝนก็เป็นอย่างอื่นเลยทีนี้เป็นอะไรเป็นห้วยเป็นหนองเป็นคลองเป็นบึงอ่ะเห็นไหมมันเป็นสารพัดที่มันจะเป็นนะ มีต้นไม้มีภูเขามีลาําธารมีคนมีอะไรขึ้นมาถ้ามีน้ําก็จะเป็นแบบนั้นทันทีทีนี้ถ้าไม่อยากให้มันมีคุณก็อยากให้มันมีฝนเน่ะถ้ามองว่าฝนเป็นเหตุปัจจัยทั้งหลายก็หยุดตรงฝนไม่มีฝนฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลมนุษย์จะเริ่มตายแล้วทีเนี้ย <c oughs> เหตุปัจจัยไม่จะเริ่มเพียนมนุษย์ทําอะไรไม่ได้ฮะทําอะไรไม่ได้กับฝนฟ้าถ้ามันไม่ตกทําอะไรได้ทําะไรไม่ได้อ่ะ จะทำเหมือนเพลินรมแดนแล้วเอาเชือกซื้อเชือกมาผูกไว้ก่อนเมฆล่ามไว้นาใครก่อนนามันไม่ให้มันไปตกที่อื่นมันไม่ได้ละทีนี้มนุษย์พอมีอย่างนี้พวบเริ่มประท้วงนะประท้วงธรรมชาติหาแมวมาใส่กุ้งขั ง, งแล้วตีอา้าวเห็นไหมความฉลาดของมนุษย์เนี่ยตีแมวเที่ยวมาได้จงู้นะกูฆ่าแมวนะกูฆ่าแมวนะจะ ต, ตกหรือไม่ตกเนี่ถามว่าถูกไม่มีปัญญาไหมโอ้ยนะ นะซูเปอ ร, ร์ง่ทันประเทศไหนที่ทำไปได้ไดก็บ้านเมืองไหนโอยเลยเหตุปัจจัยมันไม่ได้ตรงเราไม่รู้แล้วทีนี้เหมือนกันนะฟุกที่มันจะหล่นลงมาสติปัญญาที่มันไม่เกิดในจิตใจเราเนี่ยเราจะไปไปทวงอะไรอ่นะเงินไม่มีนี่ไปทวงเจ้านายหรืประทวงพ่อระท้วงแม่เลยไม่ใช่ทำความดีให้ปรากฏสร้างเหตุใจให้มันเกิดขึ้น ตัวเราเองก็เหมือนกันสร้างศีลสมาธิปัญญาให้ปรากฏกับจิตเราเองสร้างพุทธธรรมะสังฆะให้ปรากฏกับจิตเราเองนะพุทธะรู้ตื่นเบิกบานนะธรรมะมันยากตัวนี้นะนะถ้ามันรู้ตื่นเบิกบานก็คือธรรมะสว่างัะธะทำก็ปรากฏทันทีแต่เขาก็จะเริ่มจากนี้จากการมาฝึกตัวเองเป็นสังฆะอนะจากสังฆะเป็นไรเป็นพุทธอืม พอมีพุท ธ, ธารู้ตื่นบางบานันเออธรรมะมรรคผลก็ปรากฏอยู่ในนั่นนะพอมรรคผลปรากฏชัดเจนเอ้าก็เป็นพุท ธ, ธพุทธะชัดเจนเป็นธรรมชาติก็เป็นสังขะคือจริงๆเป็นภาวะอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันนะนั่นต่างตรงที่เราเรียกเฉยๆทุกอย่างเป็นหนึ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเหมือนพระสารีบุตรถามนางกีสาโคตมียแหละ อะไรชื่อว่าหนึ่งอะไรชื่อว่าหนึ่งอะไรคือหนึ่งอะ่ะเธอปฏิบัติธรมเธอเห็นความเป็นหนึ่งหรือยังหนึ่งไม่มีสองนะเดี๋ยวนี้ความคิดปรากฏขึ้นอันนั้นมื่กระทบปุ๊บมันเป็นสองอเป็นสองเดี๋ยวมันปรุงแต่งได้งุน่นงงได้เบื่อได้อะไรที่มีเป็นแต่หนึ่งอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งคือภาะวะหนึ่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งอะไรกระทบไม่มีบวกไม่มีลบ มันขึ้นมาเนี่ยไม่มีเพิ่มไม่ไปไม่มาไม่ขึ้นไม่ลงภาวะ น, นั่นแหละที่เขาเรียกว่าหนึ่งคือนิพานนั่นแหละนิพานชื่อว่าหนึ่งนางนี่ว่าตอบไม่ได้เรียนรู้มามากอยากให้ถามเรื่องคัมภีร์ตำรับตําราเลยเขาช่ำชองนะในบรรทัดที่เท่าไรเขาชนานาญมดอนะ่ะท่านถามอะไรคือว่าหนึ่งเี่ตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้วบวชนะเนี่ยบวชปฏิบัติ อ่าวบวชบวชศึกษาปฏิบัติก็จะเห็นความเป็นหนึ่งเหมือนกันความเป็นหนึ่งคือมันไม่ขึ้นไม่ลงละไม่ไปไม่มาละไม่บวกไม่ลบละเป็นการสิ้นเหตุปัจจัยนะสิ้นเหตุปัจจัยของการเกิดสิ้นเหตุปัจจัยของการดับไม่มีการเกิดก็ไม่มีการดับไม่มีเกิดไม่มีดับก็ไม่มีทุกทุกมันไม่มีมันเหลือแต่ธรรมชาติ ธรรมชาติของกายเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาเกลี่ยเท่าเกันจะใกล้ตายอายุ ก, าก็กะกันมาเนี่ยเป็นธรรมชาตินะเนี่ยเนี่ยนั้นเราจะยินดีอยู่หรือกับกายอันนี้ต่างกายเนี่ยเราดูคนอื่นก็เหมือนเรานะเขาไอกับเราไอายดีเหมือนกันนะคือเพียงแต่ว่าเรายังไม่มันยังไม่ไหลไปถึงภาวะนั่นเฉยๆความเหี่ยวของเขากับความหนุ่มของเราก็อันเดียวกันนะ คือมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันร่องมันไหลไปเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ต่างจากธรรมชาติอันนี้นะมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเราปฏิเสธว่าเราคื อ, เ ร, คอเรากูคือกูขึ้นมาเนี่ยแหละปัญหามันคืออันนี้แหละมันไม่ปรองไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยดังนั้นพยายามเลยลึกรู้เฝ้าดูอยู่บ่อยๆตัวรู้เนี่ยยังไม่หนีจากเราเฝ้าดูพุทธะพุทธะวนิมนต์ท่านมามบ่อยๆทากับพุทธะเสมือนว่าพระพุทธเจ้าอ่ะ ทำกับตัวรู้เนี่ยเส ม, มือนพระพุทธเจ้าอย่าไปงุนงิดอย่าไปติดอารมณ์อย่าไปโน่นนี่โอ้นีมนมาเด้อพุท ธ, ธะมาแนละ้วทำเบาๆทํำนี้ยๆทาแบบเคารพเขานะ่ะเขาเรียกว่าคนเคารพพระธรรมถ้าเคารพพระธรรมพระธรรมก็อยู่ด้วยอธิมาไปเยี่ยมใครท่านนี้ใสไม่ดีนะลูกหลานคนเนี้ยมันไม่ดีเขาจะอยู่ด้วยกับมันไหมไม่อยู่นะเธอก็เหมือนกันพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะไปหาใคร ไปคบพราสมาคมใครถ้าเขาไม่ต้อนรับนะจะราย ง, งานกับกิริยาที่เขาไม่อยู่ด้วยหรอกธรรมะก็เป็นแบบนั้นแหละพุทธะก็เหมือนกันความรู้ความตื่นเบิกบานเนี่ยถ้าท่านเห็นเราเล่นกับกิเลสจังนะโอ้ยไปดูมาแล้วว่าจะไปพักอาศัยอยู่กับมันมันเล่นกับกิเลสจังอนะเล่นกับรูปกับรถกับกขีไ่ไปก่อนเนอะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าทำไมได้ไปแบบนิ่มๆ น, นะทําไม่ได้ไปไปแบบเราไม่รู้ตัวเลยนะให้ตัวรู้มันหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ อันเวลาปฏิบัติทําเกิดปีติเกิดสมาธิเอิบอิ่มโล่งขึ้นมาโอ้พระพุทธเจ้ามาเยี่ยมบ้านเราละ ว, วันเนี้ยท่านมาเยี่ยมบ้านเข้ามาเยี่ยมธาตุสี่ขันห้าเนี่ยจะเริ่มมาปรากฏถ้าเราผสมเป็นธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้คือพุทธะนั่นแหละจะเริ่มปรากฏเกิดขึ้นกับจิตเราละแต่เขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ด้วยบรรยากาศรอบๆแล้วเราชอบกิเลสมากกว่านะ่ะ พอชอบกิเลสมากกว่าเขาก็อยู่ไม่ได้มันคนละบ้านอสั้งข้าวโอสั้งข้าโอ้กันสงเคาะกันไม่สงเคาะเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ได้กับอันเนี้ยเขาต้องไปอยู่ที่อื่นเลยนั้นพยายามระลึกรูก้ระดึงเอาเข้ามาอยู่กับเราบ่อยๆตัวรู้เนี่ยอยู่กับเรามีอยู่ทุกคนอยู่แล้วน่ะเพียงแต่ว่าให้โอกาสซะถ้าโอกาสคุณถึงที่สุดเขาก็เรียกว่าอวกาศถ้าโอกาสถึงที่สุดเนี่ยเป็นอวกาศอวกาศสโลกก็คือนิพพานนั่นเองปรากฏนะ นั้นให้ขอคิดเช้าวันนี้ก่อนออกเดินทางไปทุดงทุดันทุลังทุเล็ดวันนี้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะขอให้ประสบผลสำเร็จขอมีความตั้งอกตั้งใจมีความอดความทนมีสติปัญญาสามารถเห็นทุกเป็นทุกเห็นทุก์ไม่มีตัวตนเห็นทุกเป็นแต่สภาพธรรมเป็นแต่อาการเกิดดับเท่านั้นเอง คนมูนายังถูกหลับละ